ส่วนประกอบของชีวิตของมนุษย์หรือของสัตว์ในละชานนี่ประกอบขึ้นมาด้วยชิ้นส่วนเหมือนกันเหมือนรถยนต์รถยนต์รถบรรทุกรถเกง๋งก็มีชิ้นส่วนเหมือนเหมือนกันมีลอ้อมี เครื่องยนต์มีตัวถังรถเมื่อประกอบมันขึ้นมาก็เป็นนถยนต์ชนิดต่างๆส่วนประกอบของมนุษย์กับของเดรัจฉานนี้ก็มีอยู่ห้าชิ้นด้วยกันห้าชิ้นส่วนที่มารวมกันแล้วทำให้เป็นมนุษย์ก็ดี ทำให้เป็นสัตว์เลีลูฉานก็ดีมีชิ้นส่วนหชิ้นเหมือนกันเรียกว่าขันห้าขันห้ามีรูปประขันหนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็มีนามขันสี่ชิ้นรูปประขันก็คือร่างกายที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ของไข่ก็เป็นร่างกายเหมือนกันเป็นรูปประคันเป็นขันที่หนึ่งเรียกว่ารูปประขันส่วนานามขันนี้ก็อยู่ที่จิตใจจิตใจที่มาเกาะติดกับร่างกายเป็นเหมือนรถพ่วงจิตใจกับร่างกายนี้เป็นเหมือนรถพ่วง จิตใจเป็นเหมือนรถที่มีเครื่องส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนรถที่มาพ่วงติดกับจิตใจอีกทีหนึ่งเพราะว่าจิตใจเป็นผู้ขับเคลื่อนร่างกายจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆก่อนที่เราจะทาอะไรได้เราต้องคิดก่อน อนนี้คิดว่าจะมาวัดพอคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายมาวัดผู้ที่สั่งนี้เรียกว่าสังขารเป็นหนึ่งในนามคขันนามขันนี้มีอยู่สี่ขันที่ออกมาจากจิตใจที่อยู่ในจิตใจหรือเป็นส่วนประกอบของจิตใจมีอยู่สี่คือเวทนาความรู้สึก สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกนิ้นกายอันนี้เป็นนา ม, มขันมีอยู่สี่ขันอยู่ในส่วนของจิตใจร่างกายนี้อยู่ในส่วนของร่างกาย เป็นเหมือนรถสองคันมาพ่วงติดกันจิตใจเป็นเหมือนรถที่มีเครื่องยนต์ส่วนร่างกายเป็นเหมือนรถที่ไม่มีเครื่องยนต์จะต้องมาติดกับจิตใจให้จิตใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปไหนมาไหนลากให้สั่งให้ร่างกายเดินให้ยืนให้ทำอะไรต่างๆ ถ้าไม่มีจิตใจร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองเช่นคนตายหรือคนนอนหลับเนี่ยตอนนั้นไม่มีจิตใจมาพ่วงติดอยู่กับร่างกายร่างกายก็เลยนอนอยู่เฉยๆนี่คือองค์ประกอบของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานมีขันห้า มีรูปคือร่างกายมีเวทนามีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนามีสัญญาความจำได้หมายรู้จำได้ว่าคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนั้นเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายเรียกว่าสัญญาจำได้หรือหมายรู้ ถ้ายัางไม่มีความจำก็มาทำความรู้จักเช่นไม่เคยเห็นตอนที่มาเกิดใหม่ๆไม่รู้จักว่าใครเป็นใครก็มาเรียนรู้จากคนที่รู้คือพ่อแม่พ่อแม่ก็สอนว่านี่พ่อนี่แม่สัญญาก็จะจำไว้พอเห็นคนนี้ก็จะบอกว่าพ่อเห็นคนนี้ก็จะบอกว่าแม่อันนี้หน้าที่สัญญา สัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งคิดจะทำอะไรดีอันนี้คิดอยากจะได้รูปคิดจะได้เสียงก็ร้องขอพ่อขอแม่คิดอยากจะได้น้ำก็ร้องตอนที่เป็นเด็กๆพูดไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีร้อง พอลองพ่อแม่ก็จะต้องมาดูให้มันต้องการอะไรวะต้องการน้ําหรือต้องการนมหรือว่าต้องการผ้าห่มหรือว่ามันร้อยเกินไปต้องอาบน้าหรือต้องอะไรอันนี้เป็นสังขารความคิดจะเป็นตัวคิดต้องการอะไรต่างๆความคิดความต้องความต้องการอะไรต่างๆนี่ออกมาจากความคิด แล้ววิญญาณก็เป็นตัวที่ไปเชื่อมจิตใจกับร่างกายให้รับสิ่งต่างๆที่ร่างกายารับรู้รับเห็นร่างกายมีตาใจก็ไปเกาะที่เอาสัญญาไปเอาวิญญาณไปเกาะที่ตาพอตาเห็นรูปรูปก็วิ่งเข้ามาที่ใจผ่านทางสัญญา เหมือนท่อน้ําเหมือนท่อท่อน้ํานี่ถ้าเราเอาไปต่อกับถังน้ําแล้วก็ต่อกับก๊อกนี่พอเปิดก๊อกน้ําก็ไหลออกมาอันนี้ก็เหมือนกันสัญญาก็มาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่สัญญาวิญญาณวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย พอตาเห็นรูปรูปก็วิ่งเข้าไปที่ใจพอหูได้ยินเสียงเสียงก็วิ่งเข้าไปที่ใจวิ่งผ่านตัววิญญาณวิญญาณเป็นเหมือนท่อรับรูปเสียงกดลิ่นรสเพื่อส่งมาให้ที่ใจผู้รู้ผู้คิดนี่พอรูปเสียงกดลิ่นรสเข้ามาที่ใจใจก็ใช้สัญญ า, าหมายรู้หรือจำความ รูปเสียงกลิ่นรสจำรูปเสียงกลิ่นรสนั้นได้หรือเปล่าสัญญาจะมาพอเห็นรูปก็จะมาใช้สัญญาดูว่าเคยเห็นรูปนี้มาก่อนหรือเปล่าเห็นคนนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าเห็นมันก็จะจำได้อ๋อเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเห็นคนอื่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยไม่รู้จะก็รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นใคร สัญญาจำไม่ได้เพิ่งเห็นครั้งแรกก็เรียงแต่รู้ว่าเป็นรูปแต่ไม่รู้ว่าเป็นรูปของใครเป็นรูปอะไรเดี๋ยวมีคนแนะนำให้รู้จักว่านี่ป้านะนี่หน้านะสัญญาก็จะจำได้ข่าวต่อไปพอเห็นรูปคนนี้ก็จำได้อ๋อนาอ้ามาแล้วป้ามาแล้วอันนี้หน้าที่สัญญาสัญญาจะจำไปได้มากกว่า ว่าเป็นใครจาด้วยจาด้วยว่าคนนี้ให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเราบางคนมาก็มาทุบมาเตะบางคนก็เอาขนมมาให้กินก็จะจําได้ว่าอ๋อนะคนนี้ชอบมาตีหนูอยู่เรื่อยป้าคนนี้ชอบเอาขนมมาให้หนูกินก็จะเกิดความรู้สึกทันที เวลาเห็นคนที่มาเคยมาทุบตีมาทำให้เราเจ็บเราก็จะไม่สบายความรู้สึกไม่ไม่ทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาทันทีเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าคนที่เคยเอาขนมมาให้กินพอได้เห็นปั๊บก็เกิดความสุขใจขึ้นมาวันนี้เกิดให้ขนมกินอันนี้เรียกว่าเวทนา ความรู้สึกมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์บางคนเป็นคนเฉยเฉยไม่ไม่ทาให้เราเจ็บไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเราก็รู้สึกเฉยเฉยกับเขาอันนี้ผ่านต้องผ่านทางสังสญญาสัญญาจะจำได้ว่าคนนี้เคยให้ความสุขกับเราคนนี้เคยให้ความทุกข์กับเรา คนนี้ เ, เฉยๆไม่ได้ให้ความสุขไม่ให้ความทุกข์กับเร า, เอาพอเห็นรูปเสียงกลิ่นรสมันก็สัญญาก็จะไปดูว่าเป็นอะไร เ, เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นพอเป็นสุขมันก็เกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาในใจหรือพอเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็สุขสิ่งที่ไม่ดีก็ทุกข์ สิ่งที่ก่างๆไม่ดีไม่ชั่วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากวิญญาณมาแล้วก็มามาวิเคราะห์ดูว่าดีไม่ดีพอดีก็เกิดสุขขเวทนาขึ้นมาพอไม่ดีก็เกิดทุก ข, ขเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุขเกิดทุก หรือไม่สุขไม่ทุกขึ้นมาสังขารก็คิดทันทีว่าแล้วจะทำยังไงดีคนที่เคยให้ความสุขพอพอเขาให้ความสุขจำได้ว่าเขาเอาความสุขมาให้ก็ต้อนรับเขาสวัสดีทักทายเขาถ้าคนที่ให้ความทุกข์มาจำได้ว่าเคยให้ความทุกข์มาก็หลบดีกว่าเข้าห้องนอนดีกว่า ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าไม่พบจากันดีกว่าสังขารก็จะสั่งให้ร่างกายทำตามคำสั่งของสังขารนี่คือการทำงานของขันห้าขันห้าเริ่มต้นด้วยการเอาตาหูจมูกลิ้นกายไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัญญาก็จะมาแปลความหมายของรูปเสียงกลิ่นรสว่าดีไม่ดีเป็นคุณเป็นโทษพอแปลเสร็จก็เกิดสัมเกิดเวทนาความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ก, สกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยองเงี่ยพองูหล่นมาที่ป๊อปเนี่ย จะรู้สึกไงทุกขึ้นมาทันทีทุกแล้วก็สังขารก็สั่งให้ขยับทันทีเลยบางทีก็สั่งให้ร้องขึ้นมาทันทีเร็ว ม, มันเร็วมากเนาะเวลามันทำงานจริงๆตอนนี้นั่งไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเกิดมีะมีงูหล่นมาสักตัวหนึ่งนี่สัญญาสังขารวิญญาณนี่มันทางานอย่างรวดเร็วนะวิญญาณนับรู้ก่อนวิญญาณเอางูเข้ามาในใจ วังงูเข้ามาสังขารสัญญาก็จำว่าโอ้ยนี่งูอันตรายก็เกิดทุกข์ใจขึ้นมาทุกขเวทนาขึ้นมาสังขารก็สั่งให้กระโดดขยับให้ร้องเนี่ยคือการทำงานของขันห้ามันไปทีเดียวมันไปพร้อมๆกันรวดเร็วมาก อตาหูจมูกเิ้นกายไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรถปับสัญญาสังขารเวท น, นาทำงานทันทีเลยนี่คือการการการเคลื่อนไหวการทำงานต่างๆของฐานห้าที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาตารับรู้ก็รู้ทันทีสว่างหรือมืด ดูนาฬิกา ร, รู้ทันทีกี่โมงวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ว่าจาขึ้นมาว่าวันนี้ต้องทําอะไรหรือเปล่าอ๋อวันนี้ต้องไปทํางานวันนี้ต้องไปโรงเรียนกระโดดขึ้นมาเลยรีบเข้าห้องน้ำอาบน้ําำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าวันที่จะต้องไปทํางานไปโรงเรียนถ้าวันเสาร์อาทิตย์กออ็นอนต่อก็ได้เนี่ยก็นอนดีกว่า อันนี้เป็นการทำงานของสัญญาสังขารมันทำไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วที่เล่าให้ฟังนี้มันช้ามากความจริงมันเร็วกันนี้เยอะแยะเลยพอลืมตาขึ้นมาปับ๊บสัญญาวิญญารับรู้รูปเข้ามาเสียงเข้ามากินเข้ามาสัญญาจำได้แปลความหมายความ เวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งขงานก็สั่งให้ทาทันทีให้ทำอะไรทันทีนนี้คือการกระทำของขันห้าที่ทำกันมาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่ออกจากท้องแม่ขันห้าก็เริ่มทำงานนะพอออกจากท้องแม่มา ต้องหายใจเองนะไม่รู้หายใจไงหมอต้องต้องตีก้นหรือเปล่าต้องอยุดตอนตอน้ตอนออกมามันยังไม่หายใจเอ ง, งไม่เด็กนะต้องมีการกระตุ้นก่อนหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในท้องแม่มไม่ต้องหายใจนะสายอสายสะดื อ, อเป็นเครื่องหายใจแต่พอออกมาต้องหายใจเอง ออกมาป๊บก็สัมผัสกับวิญญาณก็มาสัมผัสกับ อ, อากาศภายนอกท้องแม่ก็รู้สึกว่ามันผิดแปลกปกติก็ร้องขึ้นมาก่อนน ะ, ะมันไม่เหมือนอยู่ในท้องแม่อุณภูมิก็ไม่เท่ากันแนละออกมาจากท้องแม่จะเย็นหรือจะหนาวก็อยู่ที่ห้องที่คลอดออกมาเด็กมันถึงมักจะร้องเวลาออกมาจากท้องแม่ เพราะว่ามันเริ่มรับกับเวทนาที่มันไม่ชอบแล้วเกิดทุกขเวทนาเนี่ยออกจากท้องแม่มามีเด็กคนไหนหัวเราะยิ้มไหมไม่มีมีแต่ร้อง<ม>เพราะว่าเวทนามันไปวิญญาณไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสรับ ร, บรู้มันไม่รู้ว่าเป็นอะไร เพียงแต่ว่ามันรู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนของที่อยู่ในท้องแม่มันก็เลยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดทุกขเวทนามันก็ร้องขึ้นมาเพราะอาจจะไม่ได้หายใจเองมันก็รู้สึกขาดลมหายใจมันก็ร้องขึ้นมาร้องขึ้นมาก็เลยต้องหายใจเอง พอหายใจเองลมเข้ามามันก็เลยเริ่มรู้สึกดีขึ้นก็หยุดลองอนี่ทำงานตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ตอนที่อยู่ในท้องแม่นี้ยังถือว่าเป็นเหมือนตอนนอนหลับอยู่เวลานอนหลับนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับร่างกายสัญญาสังขารก็อาจจะคิดปรุงแต่งถึงเรื่องที่เคยผ่านมาในอดีต เรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างคือยังอยู่ในสภาพฝันอยู่ทางที่อยู่ในท้องแม่ในจิตใจเหมือนกับคนนอนหลับคนนอนหลับทำได้ก็คือฝันฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างแล้วแต่จะไปบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในอดีตมาว่ามีเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีบันทึกไว้มันก็จะเอาเหตุการณ์เหล่านี้มามาฉายใหม่ มาฉายใจนี้เป็นเหมือนจอหนังแล้วความจำความคิดมันก็จะเอาความจำของเรื่องราวเก่าๆมาฉายให้ดูใหม่ผสมปรุงแต่งด้วยความคิดก็เลยกลายเป็นเรื่องความฝันดีขวัญไม่ดีในช่วงที่อยู่ในในท้องแม่จิตใจมันทำงานแต่มันทำงานแบบ คนนอนหลับหรือคนที่ตายไปเนี่ยคนที่ตายไปไม่มีร่างกายก็จิตใจมันก็จะใช้ความฝันเป็นเป็นที่หาความสุขหรือหาความทุกข์เป็นเป็นเครื่องบันเทิงพูดง่ายๆดีกว่าเป็นเป็นเครื่องเสพเครื่องอยู่เครื่องให้มันมีอะไรแก้เหงาไป แต่มันบางทีไปบันทึกเรื่องไม่ดีมันก็เลยเจอแตอ่เรื่องที่หวาดเสียวหวาดกลัวที่เราเรียกว่าฝันร้ายฝันไม่ดีบางทีก็ไปบันทึกเหตุการณ์ที่ดีก็ฝันดีฝันฝันแล้วเกิดมีความสุขอย่างเรื่องที่ฝันอันนี่คือช่วงตอนที่ ร่างกายยังไม่ทำงานหรือช่วงที่ไม่มีร่างกายช่วงที่นอนหลับหรือช่วงที่ตายไปเวลาร่างกายตายไปตอนนั้นขันห้าก็เหลือแค่ขันสี่เหลือนามาขันเหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็ไปเอารูปเสียงกลิ่นรสที่บันทึกไว้ในใจมามามาดูมาสัมผัสรับรูอมาเสพ ล้วสัญญาก็มาแปลความหมายสังขารก็ยังทำงานเหมือนตอนที่มีร่างกายเพียงแต่ว่าแทนที่จะเอารูปเสียงกลิ่นรสแบบสดสดนอนๆทีนี้ก็ต้องเอาแบบของที่บันทึกไว้ในใจเอารูปเสียงกลิ่นรสที่เคยเคยรู้เคยเห็นที่ยังจำได้อยู่ในใจเอามาเสพใหม่ก็จะอยู่ในสภาพของเหมือนคนนอนหลับแล้วฝัน ในช่วงใดที่ไม่มีขันรู ป, ประขันนามขันมันก็จะอยู่ในสภาพแบบคนนอนหลับแล้วกำลังฝันอยู่พอมาได้ร่างกายของร่างกายใหม่ที่พ่อแม่คนใหม่สร้างขึ้นมาให้ช่วงที่เราให้ร่างกายมันออกจากท้องแม่ก็ยังเหมือนคนนอนหลับคนฝันอยู่ พ อ, ออกจากท้องแม่มาปับ๊บลืมตาที่เหมือนตื่นขึ้นจากความฝันละตื่นจากการนอนหลับนะพอตื่นขึ้นมามาสัมผัสกับรูปเสียงกิจลอดแบบสดสดน้อนๆมันก็จะเกิดการทํางานของเวทนาของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบสดสดน้อนๆ้อนพอออกมาจากท้องแม่มาสัมผัสกับ รูปเสียงกิริดที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็ร้องขึ้นมาพอขาดลมหายใจก็ร้องขึ้นมาพอได้หายใจก็หยุดร้องพอหายใจพอได้ลมเข้าไปตอนต้นไม่มีลมมันก็ทรมานพอเริ่มหายใจเองได้ทีนี้มันก็เริ่มความทรมานมันก็หายไปแล้วทีนี้ก็มาสัมผัสรับรูบร้ กับรูปเสียงกดลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกเน้นกายแล้วก็จะเกิดสัญญาทำงานว่าเป็นรูปเสียงกดลิ่นรสแบบไหนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ว่าเป็นรูปเสียงกดลิ่นรสแบบไหนจะรู้ว่าดีกับดีหรือไม่ดีถ้าดีก็ไม่ร้องถ้าไม่ดีก็ร้องขึ้นมาเวลามันเกิดอาการเจ็บ ท้องเจ็บฉี่ปวดฉี่มันก็ร้องขึ้นมาเวลาเกิดความหิวมันก็ร้องขึ้นมาหรือเวลามันเหงามันไม่ปวดฉี่มันไม่หิวแต่มันอยู่คนเดียวพ่อแม่ปล่อยให้นอนอยู่บนเปลมันก็เหงามันก็ร้องขึ้นมาน้องขึ้นมาแม่ก็ต้องเข้ามามากอดมาพูดมาอะไรก็หายร้องเดี๋ยวก็ร้องอีก แม่ก็เลยต้องหาอะไรมาล่อมาหลอกเอาตุ๊ ก, กตาเอาของเล่นมาให้ดูเพื่อที่มันจะได้ไม่ร้องเพราะว่าจิตนี้มันหิวกับอารมณ์หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสแปลกๆใหม่ๆต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสแปลกๆใหม่ๆมาให้มันดูอยู่เรื่อยๆมันถึงจะไม่ร้องมันถึงจะไม่ทุกข์ ที่ทุกข์ก็เพราะความอยากที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสแปลกๆใหม่ๆมาเสพนั่นเองที่มาเกิดก็เพราะความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสแปลก ๆ, ๆใหม่ๆนี่เองเป็นจึงพาให้นามขันคือจิตใจนี้มาหามาเกาะติดกับร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมาให้จิตที่มีความหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสเจ็บนั่นเองจิตมีความอยากคือกามาตัญหาความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเลยไปเวลามันไม่มีร่างกายมันก็ไปหาร่างกายร่างกาย จะได้ร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่กำลังหาร่างกายอยู่นั้นจิตมีบุญมีบาปมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะถ้ามีบาปมากกว่าบุญมันก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนะถ้ามีบุญกับบาปเท่ากันมันก็จะไปได้ร่างกายของมนุษย์ ถ้ามีบุญมากกว่าบาปมันก็ยังไม่ไปหาร่างกายใหม่เพราะมันสามารถเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ของเทวดาได้ที่มีความสุขมากกว่าความสุขที่จะได้จากรูปเสียงกลิ่นรสของทางร่างกายช่วงที่ใจมีบุญมากกว่าบาปใจก็ไม่ไปหาร่างกายอยู่แบบเทวดาสบายกว่าแต่พอช่วงที่บุญกับบาปเท่ากัน มันก็เลยต้องมารับร่างกายเพราะว่าไม่สามารถเสพความสุขแบบเทวดาได้แล้วก็ไม่สามารถเสพความสุขแบบสัตว์เดรัจฉานได้มันก็จะมารับร่างกายของมนุษย์ตอนที่เรามาเกิดกันนี่จิตใจของพวกเราในขณะนั้นบุญกับบาปในจิตใจมันมีกำลังพอๆกัน มันเลยไม่สามารถดึงให้เราไปเป็นเทวดาบุญไม่สามารถดึงให้ไปเป็นเทวดาได้บาปไม่สามารถดึงให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปตกนรกได้เวลานั้นจิตก็จะไปรับร่างกายอันใหม่ของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ เังนตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ๆตอนที่ออกจากท้องแม่ใหม่ๆนียบุญกับบาปในใจเรามันมีกำลังเท่ากันนะพอเรามาออกมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทำบาปกันก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่มีกำลังที่จะไปทำบุญกันแต่เราจะมีกำลังไปทำบาปเพราะเราอยากได้นู่นอยากได้นี่เด็กมันยังขงโมยของได้เลย เด็กมันเห็นอะไรมันไม่รู้ว่าเป็นของใครนะถ้ามันชอบมันก็เอามาเล่นนะเอามาเสพเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกับไปขโมยของเขาละแล้วต่อมาโตขึ้นพอเวลาถูกจับได้ก็โกหกถามมาขโมยของก็มาฉช่ั้นก็โกหกไม่ไดเอามาเพราะไม่อยากที่จะถูกลงโทษไม่อยากจะถูกว่าถูกตำหนิส่วนใหญ่เราจะเริ่มทำบาปกัน โอกาสที่เราจะทําบุญนี้ต้องมาทีหลังะโอกาสที่จะทําบุญก็คือตอนที่เรามีข้าวของแล้วเราเอาไปแบ่งให้คนอื่นนี้เช่นพ่อแม่ซื้อขนมซื้อของมาเยอะแยะกินเองไม่หมดก็คิดถึงเพื่อนะก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนกินแบ่งให้เพื่อนเล่นอันนี้ก็เริ่มได้ทําบุญนะแต่เบื้องต้นนี้จะทําบาปกันก่อนะ ถ้าม่ถ้าตัวเองไม่มีของก็มักจะไปหยิบของของคนอื่นมาเอาของคนอื่นมาก็าจะทำบาปเอาเข้าวของของคนอื่นมาโดยไม่ได้ขออนุญาตของเขาไม่ได้ให้มาแต่ถ้าได้ของมาเยอะแยะพ่อแม่ร่ำรวยพ่อแม่มีฐานะซื้อข้าวซื้อของมาให้เล่นให้ดูให้ชมก็คิดถึงเพื่อนฝูงอยากแบ่งให้เพื่อนฝูงบ้าง ก็เอาไปแจกเพื่อนฝูงกันก็ได้ทาบุญแล้วเราก็เริ่มสะสมบุญสะสมบาปกันไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปถ้าบุญมากกว่า บ, บาบุญก็จะไปเสกความสุขแบบเทวดาไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะความสุขของเทวดาดีกว่าความสุขของมนุษย์ ก็เส บ, บุญของเทวดาจนกว่าบุญจะหมดจนกว่าบุญกับบาปจะเท่ากันก็ถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในทางตกลงค่าเวลาตายถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็จะต้องไปไปรับโทษของบาปที่ทําไว้ก็ไปอยู่แบบทุกข์ทรมานถ้ า, า, าไปได้ร่างกายก็เป็นได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้ า, า, าไม่ได้ร่างกาย ก็จะอยู่แบบดวงวิญญาณที่หุ้มห่อด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทุกข์เพราะความกลัวก็เป็นนสุรกายทุกข์เพราะความมาคาดพยาบาทโกรธเกียดเครียดแค้นก็เป็นนรกแล้วก็มันก็จะเผาจิตใจจนกว่าบาปมันจะมีกำลังเท่ากับบุญมันก็จะไม่สามารถ ดึงใจให้อยู่ในอบายต่อไปได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปเป็นเทวดาได้ก็เลยต้องเป็นมนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์ก็คือที่เกิดเวลาที่บุญกับบาปในใจมันมีกำลังเท่ากันมันไม่หมดเพียงแต่ว่ามันมีกำลังเท่ากันบุญก็ยังมีอยู่บุญเก่าก็ยังมีอยู่บาปเก่าก็ยังมีอยู่ แต่บุญกับกรบุญกับบาปเก่ามันมีกำลังเท่ากันมันเลยไม่สามารถดึงดวงวิญญาณตอนนั้นให้ไปเป็นเทวดาหรือให้ไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรมันก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์กันพอตอนออกมาใหม่ๆก็บุญกับบาปเท่ากันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับพ่อแม่ที่ร่ำรวยหรื อ, อยากจน ถ้าอยู่กับพ่อแม่ยากจนนี้โอกาสจะไปทำบาปมันก็มากกว่าไปทำบุญถ้าอยู่กับพ่อแม่ที่ร่ารวยโอกาสไปทำบุญก็มากกว่าโอกาสที่จะไปทำบาปแล้วนี่คือชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นอย่างนี้ที่เรายังต้องไปทำบุญทำบาปเพราะใจเรายังมีความอยากอยาก ความอยากพื้นฐานของใจก็คืออยากหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆนี่เองพอเวลาได้เห็นรูปเสียงกดลิ่นรสแปลกๆใหม่ๆที่ชอบใจก็เกิดความสุขขึ้นมาก็เลยคอยดิ้นหารูปเสียงกดลิ่นรสมาให้ความสุขอยู่เรื่อยๆที่การหารูปเสียงกดลิ่นรสบางทีมันก็หาได้ง่ายบางทีก็หาได้ยาก เวลาหาได้ยากบางทีจะได้มาก็อาจะต้องไปทำบาปถึงจะได้มาแต่ถ้าเกิดความอยากแล้วมันก็ไม่กลัวบาปมันกลัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นตอนในขณะที่ไม่สามารถเสพความสุขที่ต้องการได้จะเสพได้ก็ต้องทำบาปมันก็เลยไปทำบาปคนอยากไปเที่ยวไม่มีเงินเที่ยว ก็ต้องไปขโมยเงินพอมีเงินก็จะได้ไปเที่ยวคนอยากเสพยาเสพติดก็ไปขโมยเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพเพราะตอนที่เกิดความอยากแล้วยังไม่ได้เสพนี่มันทรมานใจ น, นั่นเองมันก็เลยถูกความทุกข์ทรมานใจนี้บีบคั้นให้ไปทําบาปเพื่อที่จะได้มาระบายมาบรรเทาความทุกข์ทรมานใจ ด้วยการเสพสิ่งที่อยากจะเสพแต่นี่คือจิตใจของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนนี้มันถูกความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากนี้บีบคั้นให้ดิ้นรนไปหาอะไรต่างๆมาเสพ บ, บางครั้งก็ไม่ต้องไปทำบาปถ้าสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้อง ทำบาปบางครั้งก็ต้องทำบาปถ้าไม่สามารถหาได้โดวยวิธีอื่นบางครั้งได้มามากเกินไปก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นก็ได้ทำบุญไปใจก็เลยสะสมบุญสะสมบาปไปพร้อมๆกับการตอบสนองตันหาความอยากของตนไปจนถึงวันตายพอวันตายบุญกับบาปที่มีอยู่ในใจก็จะเป็นตัว ที่จะมาดึงใจให้ไปอยู่พบไหนดีถ้าบุญมากกว่าบาปก็ดึงให้ไปอยู่พบของเทวดาถ้าบาปมากกว่าบุญก็ดึงให้ไปอยู่พบของเปรตของเดรัจฉานของสัตว์นรกเนี่ยแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปไปจนกา บ, บุญกับบาปมันจะมีกำลังเท่ากันมันก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดนะปริมาณของการเวียนว่ายตายเกิดนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมากมายจนนับไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่ถ้าอยากจะรู้ว่ามีเท่าไหร่ก็ให้นึกถึงน้ำตาที่มาร้องไห้ทุกครั้งที่มาเกิดในโลกนี้มีใครไม่ร้องไห้บางมีหมลองเอาน้ำตาที่เราร้องไห้นี่มาเก็บ รวบรวมไว้ของแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้ามารวมกันแล้วพระพุทธเจ้ามันบอกว่ามากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรนะคิดดูว่าจะต้องมาเกิดมาร้องไห้กี่ครั้งถึงจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นคือปริมาณของภพชาติที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาไยังไม่จบนะยังมีตอนนี้ยังวิ่งต่อไปนะตายไปก็เดี๋ยวก็ ก็ไปเกิดในอบายหรือไปเกิดในสวรรค์เสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้ใหม่ต่อไปอีกนะไม่มีวันจบจะจบก็ต่อเมื่อเรามาเจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้ น, นที่จะมาบอกเราว่าเนี่ยการคุณกําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ เรื่องเรีนว่าตายเกิดเราก็ไม่รู้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาบอกเราเราก็อาจจะคิดว่าเกิดมาชาตินี้ตายแล้วก็จบแต่มันไม่จบะมันจบที่ร่างกายร่างกายจบแต่จิตใจมันไม่จบนะจิตใจมันไปต่อเพราะจิตใจมันไม่มีวันตายจิตใจมันก็ไปตามกําลังของความอยากจะไปทางไหนก็อยู่ที่บุญหรือบาปนะ พระพุธเจ้าก็เลยมาสอนบอกว่าถ้าไม่อยากจะต้องมาร้องไห้ต่อไปแบบที่เคยร้องไห้มาก็ต้องมาหยุดความอยากกันความอยากนี้เป็นตัวผลักดันให้จิตใจไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในสวรรค์ในอบายก็จกความอยากต่างๆถ้าอยากจะหยุด ไม่ต้องใบเวียนไหวตายเกิดต่อไปก็ต้องมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจมีความอยากสามสามกลุ่มด้วยกันสามชนิดด้วยกันไม่ใช่ความอยากทั้งหมดในใจความอยากในใจบางอย่างก็เป็นความอยากที่ไม่ต้องกำจัดต้องส่งเสริมเช่นความอยากหยุดเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องส่งเสริมการอยากปฏิบัต ทำเพื่อตัดภพตัดชาตินี้เป็นความอยากที่ไม่ให้ตัดนไม่ให้เลิกให้ส่งเสริมให้ให้เลิกความอยากที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนะความอยากที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี่มีอยู่สามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากไปเที่ยวอยากดูหนังฟังเพลงอยากร่วมหลับนอนกับแฟนเนี่ยเรียกว่ากามตัณหาะ ต้องเลิกความอยากเหล่านี้แล้วก็ความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากมีเกียรติเหมแต่งตั้งกันเป็นบ้าเป็นบอไปหมดคนตั้งได้ก็ตั้งไปคนรับการแต่งตั้งก็หลงดีอกดีใจไปกับการแต่งตั้ง มันก็ตั้งขึ้นมาเท่านั้นเองใช่ไหมใครเป็นคนตั้งก็สังขารความคิดปรุงแต่งเป็นตัวตั้งคิดขึ้นมาสั่งให้เป็นนายพลก็เป็นนายพลสั่งให้เป็นนายร้อยก็เป็นนายร้อยคนที่สั่งได้ก็สั่งคนที่สั่งไม่ได้สั่งมันก็ไม่เป็นอย่างพวกเรามาสั่งให้เป็นนายพลนายร้อยมันก็ไม่เป็น แต่มันก็เป็นแค่คำสั่งเทนั้นเองมันก็ตั้งเป็นคำสั่งคำตั้งขึ้นไปเพราะความอยากอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตกันอยากมีหน้ามีตามีเกียรติกันก็เลยต้องตั้งให้มันใหญ่ให้โตจะได้มีหน้ามีตามีเกียรติเท่านั้นเองตอบสนองความอยากคือภาวะตัณหาแล้วก็มีความอยากที่ไม่ต้องการอยากไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ชอบ เห็นไม่ไม่อยากไม่ไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตันหาไม่ต้องการความทุกข์ยากลำบากไม่ต้องการความยากจนอันนี้มันก็เป็นตัวผลักดันให้จิตใจต้องไปทำอะไรต่างๆพอเจอความแก่ก็งรีบย้อมผมเงินทำหน้าดึงสัญญงสัญญกรรมอะไรกัน เป็นพวกที่บ้าออ ก, กําลังกายก็วิ่งกันทําอะไรกันเพราะเพื่อป้องกันความแก่ให้ไม่ให้มันแก่ น, น, นี่คือความอยากสามตัวนี้ที่ต้องกําจัดเพราะมันเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่าตายเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าพอร่างกายอันนี้ตายไปความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นแล้วมันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย มันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสใหม่เพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตใหม่เพื่อที่จะได้มีความสุขแล้วพอเจอความแก่ก็พยายามหนีมันเจอความเจ็บก็พยายามหนีมันพอเจอความตายก็พยายามหนีมันพอหนีไม่พ้นพอตายมันก็หนีมันก็หนีไปพาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีก นี่คือความอยากสามตัวนี้เป็นตัวที่พาให้สัตว์โลกมาเวียนว่ายตายเกิดกันมาทําบุญมาทําบาปกันแล้วก็พาให้ไปเกิดเป็นสัตว์โลกชนิดต่างๆกันไปเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปตกนรกมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย เกิดจากไอ้ตัณหาความอยากสามตัวนี่ไม่มีใครรู้นะความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เกิดจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดมากคนที่คิดเป็นคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าทำไมจึงมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็ไปดูก็รู้ว่ามาจากความอยากสามตัวนี่ พอไม่มีความอยากสามตัวนี้มันก็จะไม่มาเกิดกันอตุตจ้าก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากจะมาล้องหมล่องไห้จนน้ําตานี่มากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรเราก็ต้องมาหยุดความอยากสามตัวนี้ให้ได้อย่าไปทําตามความอยากพอเมื่อไม่ทําตามความอยากแล้วความอยากมันก็จะหมดกําลังไป คนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกเหล้าได้ก็เพราะว่าไม่ทําตามความอยากเวลาอยากสูบบุหรี่ก็ไม่สูบพอไม่สูบมันก็ทรมานหน่อยเดี๋ยวสักพักความอยากมันหมดกําลังไปความทรมานก็หายไปแล้วต่อไปเห็นบุหรี่ก็จะรู้สึกเฉยเฉยคิดถึงบุหรี่ก็รู้สึกเฉยเฉยถ้าไปทําตามความอยาก เดี๋ยวมันจะคิดหาบุหรี่เรื่อยๆพออยากก็สูบพอสูบเสร็จเดี๋ยวก็อยากใหม่อยากใหม่ก็ต้องไปสูบอีกมันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าทําตามความอยากความอยากมันก็จะกลับมาเรื่อยๆถ้าไม่อยากให้ความอยากกลับมาเวลามันอยากจะสูบก็อยากไปสูบมันเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกําลังพอหมดกําลังมันก็จะไม่มาบีบคั้นให้เราต้องไปสูบบุหรี่ต่อไป ทุกอย่างที่เราทาด้วยความอยากนี้เราเลิกได้ถ้าเรามีกําลังที่จะสู้กับความทรมานใจเพราะเวลาอยากอะไรแล้วมันไม่ได้ทํานี่มันรู้สึกทรมานใจมันทนไม่ไหวที่ต้องไปทาตามความอยากกันก็เพราะว่าเวลามันอยากแล้วไม่ทานี่มันทรมานใจแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีวิธีที่จะระ ง, งับความทรมานใจ เวลาเกิดความอยากเราไม่ทําตามความอยากถ้ามันเกิดความทรมานใจก็ใช้ความสงบมาหยุดมันได้ใช้สมาธิมาหยุดมันได้อันนี้คือวิธีกําจัดความอยากสู้กับความอยากต้องมีเครื่องมือต้องมีสมาธิต้องมีความสงบเพราะเวลาเกิดความอยากนี่มันทรมานใจ จนทนไม่ไหวจนต้องไปทําตามความอยากถามคนที่จะเลิกสูบบุหรีดูถามคนที่จะเลิกดื่มกาแฟดูอะถามคนที่จะเลิกกินเหล้าดูถามคนที่จะเลิกเที่ยวดูเวลาจะเลิกเที่ยวนี่โอ้โหใจมือไม้สั่นไปหมดหรือคนที่เลิกมีแฟนดูก็ได้คนที่ชอบมีแฟนเปลี่ยนแฟนเป็นสิบเป็นร้อยลองบอกเลิกมีแฟนดูสิท่านั้นโอ้โหมือไม้สั่นไปหมดใจสั่นไปหมดน แต่วิทย์มีวิธีแก้ใจสั่นมือสั่นได้ถ้าไปฝึกสมาธิพอฝึกสมาธิเป็นทำใจให้สงบเป็นเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ทำตามความอยากพอใจสั่นมันก็ใช้สมาธิหยุดได้นี่ทาไมถึงต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถไปหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญา ปัญญาก็คือเนี่ยสอนให้รู้ว่าถ้าทําตามความอยากก็เป็นการสร้างน้ําตาให้มันมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรนั่นเองคือจะต้องไปเจอความทุกข์ถ้าเป็นถ้าจะไปทําตามความอยากเดี๋ยวมันจะต้องไปเกิดใหม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่เราไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตายเพียงรอบเดียวมันจะเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไปทําตามความอยาก นี่คือปัญญาปัญญาเพียงจะสอนให้รู้เห็นโทษของความอยากเท่านั้นเองแต่ปัญญาไม่สามารถระบายความทรมานใจที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ได้ทําตามความอยากได้ต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัออาายความสงบมาบรรเทามาระ ง, งับความทรมานใจถึงจะฝืนถึงจะไม่ทําตามความอยากได้นี่คือ ประโยชน์หรือสิ่งที่เราจะได้รับเวลาที่เราได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถ้าเราไม่เจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะไม่รู้เลยหนึ่งว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่สองว่าเรากําลังผลิตน้ําตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรสามไม่รู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไี้ได้ หลังจากที่เราถ้าเกิดเรารู้ขึ้นมาแต่รับรองได้นจะไม่รู้ทั้งสามอย่างนี่ไม่รู้ว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าเรากําลังสร้างความทุกข์ระดับน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรสามไม่รู้ว่าเหตุอะไรที่ทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดมาทุกข์กันอยู่อย่างนี้ จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นตัวแทนทำหน้าที่แทนกันได้ไม่ต้องเจอครบทั้งสามองคนะ์ไม่ต้องเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันนะเพราะเป็นไปไม่ได้นะสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าให้เราพบแล้วแต่เรายังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่อีกสององค์ด้วยกันคือมีพระธรรมคาสั่งคาสอน แล้วก็มีพระ อ, อาริยสงสาวกผูรรร้รู้เรื่องราวเหล่านี้รู้เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของพวกเรารู้เรื่องราวของความทุกข์ที่เราได้ต้องเผชิญกันในขณะที่มาเวียนว่ายตายเกิดกันรู้เหตุที่จะทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากอะไรรู้จักวิธีที่จะละเหตุเหล่านี้กำจัดเหตุเหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปนี่นีคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจะได้รู้ว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่รู้ว่าเรากําลังผลิตความทุกข์ที่มีน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรที่เกิดจากความอยากต่างๆของเราแล้ว ไม่ได้ทำตามความอยากเวลาไม่ได้ทำตามความอยากนี่จะรู้สึกเสียใจร้องหม่มร้องไห้อันนี้แล้วก็จะรู้ว่าสาเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่าตายเกิดก็คือความอยากสามตัวนี้ความอยากหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันจะพาให้จิตเราดิ้น ดิ้นหาหาร่างกายใหม่ๆมาเป็นเครื่องมือร่างกายเก่าก็หนีมันทิ้งมันแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นเครื่องมือมาทาตามความอยากต่างๆไปเรื่อยๆแต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาจากกัน ทุกที่เกิดจากการไม่ได้ทําอะไรตามความอยากมันจะผลิตความทุกข์ความทรมานใจให้เจ็บที่เราไม่ปรารถนากันแถ้าเราไม่อยากจะต้องมาเจอความทุกข์แบบนี้เราก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วพยายามทําตามที่พระพุทธพระธรรมทรงสอนให้เราทําให้เรามาหยุดความอยากทั้งสามนี้ ด้วยใช้ด้วยการใช้เครื่องมือคือสมาธิความสงบสมาธิจะเกิดความสงบขึ้นมาได้ก็ต้องมีเครื่องมือมาสร้างสมาธิก็คือสติสติอย่างเดียวก็ไม่พอสติแล้วยังต้องมีที่สงบต้องมีเวลาก็ต้องมาถือศีลแปดกันถึงจะมีเวลามีที่ที่เราจะได้ไปทำจิตใจให้สงบ การที่จะทำจิตใจให้สงบนี้ต้องมีสถานที่ที่สงบต้องมีเวลาคือไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต้องถือศีลแปดละเว้นการไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก่อนที่จะมาถือศีลแปดได้ก็ต้องหัดถือศีลห้าให้ได้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะถือศีลแปดก็ถือได้เลยศีลแปดถ้ายังถือไม่ได้ก็ต้องถือศีลห้าก่อน สินห้ายังถือไม่ได้ก็เอาสินสี่ก่อนสี่ไม่ได้ก็เอาสามก่อนะมันต้องเริ่มต้นที่ปอหนึ่งเริ่มที่สินข้อที่หนึ่งก่อนเลิกเอาสินข้อใดข้อหนึ่งก่อนในศินห้าโกหกแล้วโกหกได้ไหมยดื่มเหล้าเลิกดือมเหล้าได้ไหม ถ้าเลิกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเลือกได้หลายข้อก็เอาหลายข้อเลยเล่าฉันก็ไม่ดื่มโกหกฉันก็ไม่โกหกแต่ยังชอบมีเป็นชู้กับคนนั้นคนนี้อยู่ยังชอบเที่ยวยังชอบไปอาบอบนวดอยู่อย่างนี้ก็ต้องเลิกเที่ยวอาบอบนวดแต่อยากจะมีแฟนก็มีคนเดียวอรักเดียวใจเดียวเออย่าไปมีทีละหลายหลายคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอันนี้ต้องหัดเลิก ต้องหัดเรื่อง ก, การกระทำเหล่านี้ให้ได้ก่อนต้องถือศีลให้ได้ครบก่อนตอนต้นเอาศีลห้าให้ครบก่อนพอได้ศีลห้าแล้วถึงจะไปเพิ่มเป็นศีลแปดเพราะศีลแปดมันยากยิ่นกว่าศีลห้าเนะี่ยอดข้าวเย็ยนมันง่ายที่ไหนไม่ให้นอนกับแฟนนี่มันง่ายที่ไหนเคยนอนกับแฟนทุกคืนนี้ออเธอคืนนี้เราอย่านอนนั่นกันนะมันยากนะ อันนี้ต้องหัด ท, ทําทีละข้อก่อนถ้ายัง ท, ทําทีเดียวทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนปหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นปอสองปอสองแล้วค่อยขึ้นปสามขยับขึ้นไปถ้า ท, ทําทีละข้อมันไม่ยากหรอถ้าให้ทําทีแปดข้อมันโอ้โหไม่ไหวแล้วเหมือนให้เด็กเข้าปหนึ่งแล้วให้ไปทําข้อสอบของชั้นมหกอย่างนี้มันทําไม่ได้หรอกเพราะมันเกินความสามารถของเด็กปหนึ่งที่จะไปทําได้ เด็กป .1 ก็ต้องทําข้อสอบของปอ .1 ไปก่อนพอทําข้อสอบปอ .1 ได้ก็ขึ้นไปทําข้อสอบปอ .2 พอรักษาศีลพอเริ่มต้นก็หัดรักษาศีลเอาสักข้อหนึ่งก่อนไม่ต้องห้าข้อหรอก เ, เลือกเอาข้อไหนที่เราคิดว่าง่ายที่สุดพอส่วนใหญ่มันจะมาจากห้าลดถอยกลับมาห้าสี่สามสองหนึ่งเลือกห้ า, า 4, 4, ง่ายกว่าเลือกสี่เลือกสี่ง่ายกว่าเลือกสาม เลิกสามง่ายกว่าเลิกสองเลิกสองง่ายกว่าเลิกหนึ่งเนี่ยก็เอาข้อที่ง่ายก่อน เ, อเกิดมาก็ไม่ได้ดื่มสุรายอยู่แล้วก็อย่าไปดื่มเหมือนเออแล้วก็มาข้อสีอย่ากโกหกถ้าจะพูดความจริงไม่ได้ก็หุบปากไว้เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปมีชู้สาวอย่าไม่มีแฟนกันหลายๆคน ถ้าจะมีแฟนก็มีคนเดียวรักเดียวใจเดียวสามีภรรยากันอแล้วกอ็อย่าไปรักทรัพย์ของคนอื่นแล้วก็อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อยทําเพิ่มไปเดี๋ยข้อสองข้อเดี๋ยวก็ได้ครบห้าข้อห้าข้อไม่ใช่ให้รักษาวันเดียวนะคำว่าห้าข้อครบก็คือทุกวันนะเป็นนิจสินะ รักษาเป็นแบบถาวอถึงนีเรียกว่าเป็นการรักษาศีลที่แท้จริงรักษาศีลแบบที่เรารักษากันนี้ไม่ใช่เป็นงานรักษาศีลเะเช่นไปวัดวันพระเขาให้สมาทานศีลห้ากับสมาทานกันพอกลับบ้านบางทีก็เลิกรักษาแล้วออกจากวัดก็ทิ้งศีลห้าไว้ที่หน้าวัดแล้วไม่เอากลับบ้านไปด้วยหรืออาจจะรักษาก็แค่วันเดียวพอพรุ่งนี้ก็ลืมแล้ว อย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการรักษาศีลหน้าถ้ารักษาสี่ห้ามันต้องรักษาทุกวันหรือสินสี่ก็ได้สินสามก็ได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ต้องรักษาให้มันได้อย่างถ้าวนอนโดยให้มันรักษาได้มากกว่าไม่ได้รักษาคือให้มันได้คะแนนอย่างน้อยสองจุดขึ้นไปก็ยังดีวะห้าสิบห้าสิบรักษาได้ห้าสิบไม่รักษาสักห้าสิบก็ได้สองจุด ถ้ารักษาได้มากขึ้นก็ได้สามจุดถ้าถ้ารักษาได้เต็มร้อยไม่เคยขาดเลยก็ได้สี่จุดเนี่ยนีย่ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือได้สี่จุดนี่ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนเรียนดีเรียนเก่งเนี่ยเขาก็ให้สี่จุดเนี่ยปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติศีลก็ต้องให้ได้ห้าข้อครบบริบูรณ์ทุกวัน อย่าไปรักษาตอนนอนนะตอนนอนใครๆก็รักษาได้ศีลนี่มีไว้รักษาตอนตื่นนะบางคนเป็นสมาทานก่อนนอน <c oughs> เดี๋ยวจะรักษาศีลพอนอนหลับก็แหมรักษาศีลได้ครบเลยอย่างนี้ไม่ใช่วิธีรักษาศี <c oughs> รักษาศีลดูรักษาตอนที่ตื่นนะ <c oughs> ออเข้าใจนะโอเคอันนี่คือ เคร่งมือที่เราจะเอามาใช้ในการที่จะสู้กับความอยากได้ต้องรักษาศีลห้าศีลแปดแล้วเราจะได้ไปฝึกสมาธิฝึกสติทำใจให้สงบได้พอใจให้สงบแล้วทีนี้ไปสู้กับกิเลสได้นะ เพราะรู้ว่าความอยากเป็นตัวที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดพอมันอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไม่ทำตามมันพอมันทรมานเราก็เข้าสมาธิไปมันก็จะหายทรมานต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังที่จะมาตัดดันให้เราไปเวียนว่าตายเกิดต่อไปนะนี่คือเรื่องของขันห้าเรื่องของจิตใจของพวกเรา ที่มาเกี่ยวมาพ่วงกับร่างกายเป็นขันห้าเวลาไม่มีร่างกายก็เหลือแค่ขันสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอมามีร่างกายก็เป็นขันห้าแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจมาเกิดแก่เจ็บตายกันเพราะตัณหาความอยากพอเรามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็นมาสอนว่าให้มาปฏิบัติธรรมมาตัดความโลภ ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจโดยการฝึกศีลสมาธิปัญญาพอได้ศีลสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะฝืนความอยากหยุดความอยากไม่ทําตามความอยากได้ความอยากก็จะหมดไปจากใจการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปใจก็จะอยู่แบบบัลมังสุขขังไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำกันควรทำกันเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นทางออกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ทางอื่นไม่มีมีทางนี้เพียงทางเดียวก็ขอให้ท่านจงนาเอาไปพิจารณาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนาราโสยธามณิโชติ อาราโสยะธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุทฒาปจายโนจตารโหธรรมาวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลุวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สามร y อยสิบเก้าูสองร้อยสิบห้าวิทยุออนไลน์สี่สิบสามผู้รับฟังบนเขาสี่สิบสองรวมหกร้อยสิบเก้าท่านค่ะใครมีคำถามอยากจะถามก็ เชิญถามได้ในตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาหนูขอโอกาสเรียนถามหลวงตาค่ะเวลาตายจากการจิตยังอยู่แล้วไปเกิดใหม่จะมาเจอกับคนที่เรารู้จักอีกไหมคะเช่นพ่อแม่หรือเพื่อนค่ะก็ไม่แน่บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอเจอไม่เจอก็ไม่สำคัญนะเพราะเจอใครเดี๋ยวก็รักกันเหมือนเดิมร พ่อแม่คนนี้เมื่อก่อนก็ไม่เคยเจอกันพอมาเจอกันก็รักกันก็อยากจะเจอกันใหม่เดี๋ยวพอไปเจอพ่อแม่คนใหม่ก็จะรักกันเหมือนเดิมเห็นเจอใครไม่เจอจะเป็นคนเก่าหรือไม่ไม่เก่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าจะรักกันเหมือนเดิมทุกครั้งไปพอเจอพ่อแม่ก็จะรักพ่อแม่เดี๋ยวไปเจอพ่อแม่คนใหม่ก็ลืมพ่อแม่คนเก่านะพ่อแม่คนเก่าที่เรา ทิ้งไว้คหนาวที่แล้วมาเจอพ่อแม่คนใหม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่อแม่คนเดียวคนเก่าหรือเปล่าจะเก่าหรือใหม่ก็ความรู้สึกก็เหมือนกันออถ้ามีพ่อแม่ที่เมตตา ก, ก็จะรักนอกจากถ้าไปเจอพ่อแม่โหดร้ายทารุณก็จะไม่อยากจะเจอเ อ, อ, อันนี้ก็อยู่ที่บุญบาปที่เราทำทำบุญเราก็มักจะเจอแต่คนดีออทาบาปก็มักจะไปเจอแต่คนไม่ดี อย่าถ้าไม่อยากจะไปเจอคนไม่ดีอย่าไปทำบาปนะให้ทำบุญแล้วจะไปเจอแต่คนดีเพราะคนดีจะเข้าหาคนดีคนบาปจะเข้าหาคนบาปเหมือนกับน้ำกับน้ำมันใช่ไน้ำจะเข้าหาน้ำน้ำมันจะเข้าหาน้ำมันไม่เชื่อลองเอาน้ำมันผสมกับน้ำในขวดดูเอาน้ำใส่น้ำเข้าไปครึ่งขวดเอาน้ำมันที่เราใช้ ทำอาหาร ใ, ใส่เข้าไปอครึ่งขวดแล้วไปเขย่าดูให้มันรวมกันนะมันไม่ยอมรวมกันนะน้ำมันมันก็จะไปรวมกับน้ำมันน้ำมันก็จะไปรวมกับน้ำฉันใดคนดีก็จะไปหาคนดีเนี่ยคนมาที่นี่มีคนไม่ดีไหมไม่มีคนกินเหล้าเมายาคนนักเล็กคนชอบอบายามุกนี่ไม่มาที่นี่หรอกต้องไปแถวปอยเป็ดแถวพัทยาใต้ <laughs> คนที่มาที่นี่ก็จะไม่ไปแถวพัทยาใต้ไปแถวปอยเป็ดเพราะ ว, ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการกันดังนั้นไม่ต้องกลัวนะถ้าเราเป็นคนดีเราจะเจอแต่คนดีคนที่จะทำให้เรารักเขาเกิดทุกภบทุกชาติก็จะเจอกับคนที่เรารักเราชอบเข้าใจแล้ยังเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ เห็นไหมเนี่อันนี้ส่งของการมาฟังธรรมทำให้สามารถถามคำถามเหล่านี้ได้ถ้าเด็กไม่เคยฟังธรรมนี่ถามปัญหาคำถามเหล่านี้ถามไม่ถามไม่เป็นนะ อ, อยากจะถามต่อแล้วามาแล้วในขณะที่นั่งอยู่ที่กุฏิที่พักนะค่ะก็เรียกว่าอารมณ์กำลังสบายสบาย มันมักจะมีเสียงมาบอกเรื่องนู้นบอกเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งก็ฟังอยู่แล้วอย่างเช่นว่ามันมีบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีคนในหมู่บ้านเนี่ยตายเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้มันเกี่ยวอะไรกับเราเออเดี๋ยวจะรอดูแต่ไม่นานก็มีข่าวว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ดีก็เสียชีวิตไปแล้ว ก็มีคนมารับศพที่วัดบอกว่าเนี่ยจะมารับศพที่นี่บอกเฮ้ยไม่ได้ใช่ที่นี่นะคะน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านสุดแล้วก็เป็นความจริงอย่างที่เราได้ยินเสียงมาบอกตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องจะมีเสียงมากระซิบบอกตรงเนี้ยตรงที่ถ้ำกลางโขค่วะว่าจะมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นนะแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจริงๆทีนี้หนูอยากให้ทน า, จายจันช่วยต่อยอดว่าในสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราควรจะต่อยอดยังไงเพื่อให้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้สูงสุดนะคะก็อย่าไปสนใจมันะประโยชน์สูงสุด เพราะเราประโยชน์สูงสุดของเราคือความสงบอถ้าเราไปสนใจไปต่อยอดเดี๋ยวก็ไม่สงบไปให้รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของเราตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะมาทําประโยชน์ให้กับคนอื่นตอนนี้หน้าที่ของเราคือมาทําประโยชน์ให้กับเราก่อนทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนทําให้เราเป็นพระอาหารหันต์ก่อนะ พอเป็นพาาาระอรหันต์แล้วทีนี้จะไปช่วยใครไปทําอะไรก็ทําได้แต่ถ้าไปทําตอนที่ยังไม่เป็นมันก็จะไม่ได้เป็นพาาารทะอรหันต์สักทีมันก็จะถูกเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงให้ไปทําแทนที่จะมาทําเรื่องของพาาาระอรหันต์ก็เลยไม่ได้ทําเออว่าใครอ็ไปสนใจใรู้ใช่แล้วก็ปล่อยวางไปรู้นิงน่งเฉยรเฉอเพราะอตอนนี้ยังไม่ใช่ถึงเวลาของเราที่จะไปทําเรื่องนี้อืม เรื่อาตอนนี้ให้มาฆ่ากิเลสไม่มาทําใจให้สงบไม่ไม่มีกิเลสแล้วทีนี้อยาไปทําเรื่องไหนก็ทําได้ไปทําภาพป่าช่วยชาติอย่านหลวงตาก็ทําได้แต่ตอนนี้หลวงตาบําเพ็ญเพียนอยู่กับหลวงปู่มันมันทําไม่ได้ไปทําเรื่องอื่นเข้าใจไหมต้องรู้จักเวลาว่าเวลาไหนาควรจะทําทอะไร อวลานี้งานสำคัญที่สุดก็คือการทําตัวเราให้เป็นพาาาระอรหันต mm ์ hmm. ไม่ต้องไปช่วยคนนั้นคนนี้ช่วยไงเขาก็ตายอยู่ดี mm hmm. อันนี้ทําให้เราเป็นพระอรหันต์ก่อนพอเป็นแล้วทีนี้จะไปทําอะไรก็ได้ไปขายกว๋วยเตี๋ยวก็ได้ไปไปเปิดโรงทานจากกว๋วยเตี๋ยวฟรีก็ได้ถ้าอยากจะทำอะไรทําได้ทุกอย่างอยากไปทําผ้าป่าช่วยชาติก็ไปทําอยากจะไป ทำทองคําก็ทําได้ทั้งนั้นไปสร้างเจดีก็สร้างอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาสําหรับคนที่เป็นพระหลานแล้วทําอะไรก็ไม่เป็นไม่เสียหายว่าท่านได้ประโยชน์ของท่านแล้วประโยชน์ตนก่อนแลค่อยไปทําประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปยังจงประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดตอนก่อนพระพุทธเจ้าสอนให้ทําประโยชน์ตนก่อนที่จะไปทำประโยชน์ของผู้อื่น เมวตอนเองยังไม่ทำประโยชน์ให้ตัวเองไม่ได้จะไปทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อย่างไร <c oughs> ได้ก็ไม่ดีสู้ทำประโยชน์ของเราให้ได้ก่อนเพราะประโยชน์ของเราเป็นประโยชน์ที่สูงสุดแล้วต่อไปเราก็จะทำประโยชน์ให้กับู้อื่นได้อย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าทำให้พวกเราเป็นพ่อหรานกันขึ้นม า, นมากี่หมื่นกี่แสนคนถ้าพระพุทธเจ้ามัวแต่ไปทาเรื่องอื่นไม่ไป ภาวนาไม่ไปตัดสั้ก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราเป็นพระอาหารหันต์กันเข้าใ้ไหมองั้นรู้อะไรก็ตอนนี้วางวางไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับมันเอ่อลงตาสอนแม่ชีแก้วก็แบบนี้แม่ชีแก้วก็ชอบรู้เรื่องเนี้ยจนไม่ภาวนาไม่จนไม่ไปฆ่ากิเลส จนหลวงตาสามหลวงตายุ่กับเรื่องเหล่านี้ก็อย่ามามาหาเราอย่ามาเป็นลูกศิษย์เราถึงเลิกถึงเลิกไปยุ่งกับเรื่องดวงวิญญาณเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เลยไปภาวนาไปเจริญปัญญาไปฆ่ากิเลสพอบรรลุแล้วหลวงตาก็ไม่ห้ามแนละ้วที่จะไปยุ่งกับดวงวิญญาณไปยุ่งกับใครก็ไปเถิด <c oughs> เข้าใจแล้วนะบอะดแล้วใช่ไ้ย ถ้าสมมตินะเอาไมวไปถ้าจะพูดต้องเอาไม้พูดทีนี้ถ้ากรณีแบบนี้จะทำควบคู่กันอะไรได้ไหคะคือยอมเหนื่อยหน่อยเพื่อที่ว่าไม่ได้มันขัดกันมันขวางกันมันคนละทางมันเหมือนเหนือกับใต้มันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าไปใต้มันก็ไม่ไปเหนือมันไม่ใช่ลางคู่มันรางเดียว หลวงปู่มั่นต้องหนีไปอยู่คนเดียวสิบปีในเชียงใหม่พอมื่อก่อนนั้นก็ไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้พาหมู่เพื่อนไปภาวนาเขาเออแต่ตัวเองก็ไม่ก้าวหน้าสักทีในที่สุดก็ต้องหนีไปอยู่คนเดียวพอเสร็จแล้วทีนี้ก็มาค่อยมาสอนใหม่ได้ ล, ลูกศิษย์เป็นพระหลายนั่เยอะแยะก่อนหน้านั้นสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเป็นพระหลาน เพราะตัวเองยังไม่ได้เป็นก็เลยสอนคนอื่นให้เป็นไม่ได้แต่หลังจากพอตัวเองเป็นแล้วที่นีมาสอนใครปุ๊บเดียวก็เป็นผ้าหลันกันเยอะแยะไปหมดหลวงปู่ทั้งหลายนี่มาจากหลวงปู่มั่นทั้งนั้นเข้าใจอ่ะกลับขอบคุณเจ้ขขาค่ะมีคำถามต่อไหมถามต่อ ค่ะคำถามจากคุณเมย์พ่อน้องธาราค่อนข้างยาวเลยตัดลงนะคะค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายหาใช่เกิดจากจิตแต่เกิดจากการเกิดหรือกำเนิดใช่หรือไม่ครับถ้าไม่มีการเกิดหรือกำเนิดก็ไม่มีทุกข์ทั้งปวงมันเกิดจากความอยากที่พาให้ไปเกิดการเกิดนี่มันไม่ได้เป็นเหตุมันเป็นผลที่เกิดจากความอยากสามประการ คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าจะไม่เกิดก็ต้องหยุดกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณห า, า, ะหาจะหยุดก็ต้องหยุดด้วยศีลสมาธิปัญญาคำถามจากคุณบุญชัย กราบอนุญาตเรียนถามคือดิฉันไม่สบายเวลาสวดมนุก็เลยต้องสวดในใจบางบทก็อ่านในใจจากหนังสือเพราะสวดหลายบทเจ้าค่ะก็กราบเรียนถามว่าผิดไหมเจ้าค้าที่สวดในใจค่ะไม่ผิดแล้วดีใช่ไหมจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นแล้วสวดในใจมันก็จะทําทให้ใจสงบง่ายกว่าสวดออกเสียงแต่ไม่จําเป็นจะต้องสวดหลายบทสวดบทไหนที่เราจําได้ดีกว่าอย่าเปิดหนังสือสวด หลับตาสวดได้ยิ่งดีเพราะจิตมันจะได้เข้าข้างในได้มากกว่าเจ้กผู้ไม่ประสงค์ออกนามครามนมาส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ครับเราจะมีหลักการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเกิดความข่มใจสามารถข่มใจตัวเองได้ดีและมีขันติอันแรงกล้าได้ครับออก็แล้วแต่เราอยู่ขั้นไหนถ้ายัางขั้นเริ่มต้นก็นนี่แหละเต้องฝึกทาบุญ ท, ทาทาง ฝึกเจริญความเมตตาให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอย่าถือโทษโกรธเคืองใครอย่าอาฆาตพยาบาทให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วก็ทําบุญทําทานมีเงินทองแทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็เอาไปทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีหน้าอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่น ถ้าได้ศีลห้าก็ถือศีลแปดต่อแล้วก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปฝึกสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาอันนี้วิธีคือวิธีที่จะทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งคำถามจากคุณสุภาพจะทำอย่างไรให้คนที่อยู่ด้วยกันหันหน้ามาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็ไหว้พระสวดมนต์ตั้งมั่นในศีลห้าเจ้าค่ะ เราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนส่วนเขาจะทำตามหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยถ้าเราทำเขาอาจจะเห็นดีเขาอาจจะทำตามแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเขาก็ไม่ทำเราต้องทำตัวเป็นตัวอย่างก่อนส่วนเขาจะทำตามได้หรือไม่นี้เป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถไปสั่งไปควบคุมไปบังคับเขาได้ ทำจะคุณอัชาราจะทําอย่างไรให้ใจคลายความทุกข์ได้บ้างเจ้าค่ะก็อยากๆสิความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราหยุดเปลี่ยนใจไม่เอาไว้มันจะเป็นงไงก็ช่างหัวมันก็จะหายทุกข์แล้ว เห็นอยากให้เขาเลิกกินเหล้าแต่เขาก็ไม่เลิ ก, กทีเห็นเขากินทีไรก็ทุกทุกทีก็ เ, เปลี่ยนใจด้วย ม, มึงจะกินก็กินไปเรื่องของมึ ง, ม ง, มงก็หายทุกข์คําำถามจากคุณโชคทูลกราบนำ้ำศการพระอาจารย์ครับถ้าเรามีธรรมในใจเป็นธรรมโอสถใช้เมื่อเกิดความทุกข์ แต่ถ้าการทุกข์ใจได้หายแล้วเราต้องยังระลึกตลอดเวลาหรือไม่หรือไว้เป็นเครื่องมือนำเมื่อใช้นามาใช้เมื่อเกิดทุกข์ครับก็แล้วแต่ว่าเราจะลืมหรือไม่ลืมถ้าไม่ลืมก็ไม่ต้องลํำลึกถึงถ้าถ้าลืมก็ต้องคอยล้ำลึกอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมเหมือนมียาต้องรู้ว่ายาอยู่ที่ไหนถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเวลาไม่สบายไปหายาไม่เจอก็ต้องจาอยู่เรื่อยๆว่าเก็บยานี้ไว้ตรงไหน อันนี้ก็เหมือนปัญญาเขาเป็นเหมือนยาถ้ามันยังลืมอยู่ก็ต้องพยายามเลิกเลิกอยู่บ่อยๆแม่ไม่ให้มันลืมคำถามจะคุณฉุก ค, คิดถ้าเราเคยปฏิบัติมาสายยุบหนอพองหนอมาหลายปีหรือพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายแต่พอมานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกจิตใจกลับไม่นิ่งเกิดความฟุ้งซ่านจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ ก็ใช้แบบแบบเดิมสิแบบเดิมมันทำให้จิตสงบ ก, ก็ใช้แบบเดิมนะถ้าแบบใหม่ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้แบบที่ใช้ได้มันมีต้องสี่สิบแบบด้วยกันนะกรรมฐ า, านสแบบี่สิบเนี่ยก็เลือกเอาเลยไปศึกษาดูคำถามจากคุณโบกราบพอาจารย์เจ้าค่ะ เพื่อนรักเสียชีวิตกระทันหันเนื่องจากวิ่งแล้วหัวใจล้มเหลวด้วยวัยเพียงสามปปีบางคนกล่าวว่าสิ้นกรรมถึงได้จากไปเร็วแสดงว่ากรรมหมดแล้วใช่ไหมเจ้าคะและผู้ที่จากไปเร็วดีหรือไม่เจ้าคะอ๋อกรรมไม่หมดหรอกเดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปต่อกรรมจะหมดต่อเมื่อเราไม่ไปเกิดใหม่จะไม่เกิดใหม่ก็ต้องตัดความอยากให้หมดไปจิตากจิตจา ก, จา ก, จากใจ ให้ไปนิพพานทนั้นกําถึงจะหมดถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปคำถามจากคุณชิดานมัสการค่ะการฟังธรรมจำเป็นหรือไม่ที่ต้องหลับตาก็แล้วแต่ความพอใจของคนฟังถ้าหลับตามันก็จะได้ไม่มีอะไรมารบกวน ลืมตาเดี๋ยวเห็นคนนั้นเดินคนนั้นขยับคนนั้นทำนู่นทำนี้ใจก็จะเสียสมาธิการฟังธรรมก็อาจจะขาดตอนถ้าหลับตาก็จะไม่มีอะไรมารบกวนมามาดึงใจให้ไปคิดไปไปไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นมันก็จะฟังธรรมได้อย่างต่อเนื่อง คำถามจากคุณแสงกราบเรียนถามค่ะจิตตั้งมั่นกับจิตผู้รู้อันเดียวกันไหมเจ้าค่ะจิตผู้รู้ก็คือผู้จิตก็คือผู้รู้ไงสมาธิก็คือความตั้งมัน่นถ้าไม่ตั้งมั่นก็เรียกว่าไม่มีสมาธิผู้รู้นี้ก็เป็นผู้รู้อยู่อยู่ที่ว่าจะทำให้ผู้รู้นี้ตั้งอยู่กับความสงบหรือตั้งอยู่กับความคิดเนะี่ย ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่กับความคิดตั้งอยู่กับความอยากมันถึงวุ่นวายมันถึงทุกข์กันถ้าตั้งอยู่กับสมาธิมันก็จะสุขเฉั้นต้องทำทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับสมาธิล้วจะมีความสุขถ้าไปตั้งอยู่กับความคิดปรุงแต่งไปตั้งอยู่กับความโลภความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วก็จะได้เลิกกันเพราะเดี๋ยวนี้ก็